ปล่ใจตัวเองวงมีใจยังรักเป็น ก็พอใจเพราะรักจึองยอมอยู่อย่างนี้ตอนที่เธอไม่เงาเธอไม่เคยจะมาหาแต่พอเธออ่อนล้าหลับมีฉันฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้และใจออก แลับร้อมจะทำเพื่อเธอท่ทาง ทให้เธอเดียวด้ได้แค่มองอยู่ตรงนี้แม่รู้ดีไม่มีความหมายยอนเจเพราะรักจะทนเพือเธอ ไม่เหงาเธอไม่เคยจะมาหาแต่พอเธออ่อนล้ากลับมีฉันฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้และใจอ่อนเหมือนทุกครั้งพร้อมจะเจ็บและพร้อมจะทำเพื่อเธอวันนี้เธอ ไม่เงาฉันก็เลยไม่มีความหมาคิดถึงห่วงใยไม่มีแม้เงาฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้เลยยังคงรอให้เธอเงาเพื่อเราเพื่อรักจะคืนเหมือนเคยเพื่อเธอจะรักฉันคนดี